ตรงนี้ก็ได้อธิบายเกี่ยวในเรื่องของเวทนาเขาไว้ในเวทนาเนี่ยถ้าไปดูในชั้นของอุเทศวาระในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงเรื่องของเวทนาขันหรือกล่าวถึงในเรื่องของในความหมายประเภทของเวทนาเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวในสูตรของเวทนาเนี่ยว้มากไว้หลายที่ไว้หลายแห่งด้วยก็บอกว่า อย่างที่ท่านกล่าววกราคะเนี่ยย่อมมีแก่ภิกษุผู้เสวยสุขเวทนาเวทนาไม่รู้สึกเขาบอกว่ากาเวทนาสามไว้โดยสุขเวทนาทุกเวทนาทุกกมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายเถอทั้งหลายพึงละราคาโนุสัยในสุขเวทนาพึงละ ป, ปฏิขานุสัยในทุกเวทนาพึงละอวิชานุสัยในอทุกกรมสุขเวทนา พอเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนาละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาละอวิชานุสัยนะในอทุกขมสุขเวทนาภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีราคานุสัยมีความหม่นชอบตัดตัณหาได้เด็ดขาดถอนสังโยชน์ได้แล้วได้กระทำที่สุดทุกแล้วแล้วก็ล่ามานะได้โดยชอบอันนี้ท่านกล่าวถึงในฐานะที่ท่านเป็นทารหันเนาะ ตอนนี้ท่านกล่าวถึงในลักษณะบอกว่าตันหาเนี่ยท่านละได้เด็ดขาดตัดแล้วแม้ทั้งพวงได้อย่างเด็ดขาดเพาะท่านรอบรู้เวทนาได้ได้กระทําที่สุดแห่งทุกเขาเรียกว่าคือที่สุดมีเขตแดนเป็นที่สุดตามที่ได้กล่าวเนี่ยตรงนี้ก็คือท่านเชี่้เห็นเกี่ยวในเรื่องของการที่ในเรื่องของเวทนาเนี่ย ที่ท่านมากล่าวเกี่ยวเรื่องของเวทนาที่อาศัยเนคขมา่าเวทนาที่อาศัยเรือนเรือใสวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือศึกษาคําสอนของพุทธเจ้าตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตดูว่าพระอริยะทั้งหลายหรือบุคคลที่ก็ปรารถนาที่จะบรรลุเข้าบรรลุถึงธรรมที่ยังที่ที่ได้บรรลุทั้งหลายเหล่าเนี้นะท่านก็บอกบอกว่าสมมานัทเนี่ยนะ ถ้าบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของสมณพที่อาศัยเรือนสมณพที่อาศัยเนี่ยขม้าเป็นต้นดังที่ได้เคยอธิบายไว้แล้วเนี่ยนะที่บอกว่าสมณพิจเห็นปานนั้นไม่ควรเสพท่านตัดถึงในเรื่องของสมณสเวธนาก็ว่าไม่พึงเสพสมณพิจายาศัยเรือนชื่อว่าสมณพที่ยาสัยเรือนได้แก่สมณพที่อาศัยกรรมคุณที่เป็นไปในทวารนั้งหก อาศัยกามคุณก็คืออาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อาศัยธรรมารมณ์ที่เป็นไปทางจักขุทวานโสตทาวานคานาทาวานจิวหานวานการยะทวานเดียร์อาศัยเรือนในที่นั้นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการเมื่อเสพคุณกเวทนาเหล่านั้นน่ะอากุศลธรรมคือราคาโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบู์มากขึ้นท่านก็เลยบอกว่าบุคคลพิจารณาเห็นได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้ได้ ถ้าไปที่ท่านอธิบายขยายความเขาไว้ก็จะเห็นชัดท่านอธิบายบอกว่าในอัตถกถาท่านเอามาอธิบายบอกว่าไม่พึงเสพสมนัตเห็นปานนี้ก็คือไม่พึงเสพสมนัตที่อาศัยเรือนก็คือย่อยเชื่ออาศัยกรรมมคุณที่เป็นไปในถวาวรทั้งหมดสมนัตที่อาศัยเรือน ชาเคหสิตานิโสมณัสานี้เป็นชันไหนเมื่อบุคคลพิจารณาการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยตาใช่หมหน้ายี่ห้าหนหน้าเท่าไหร่ยี่สี่ซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่าชื่นใจที่เกี่ยวกับเหยื่อของโลกคําว่าเหยื่อนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมทําให้ติดเนาะ แสดงว่าเสพด้วยตัณหาเนี่ยไปยึดติดแล้วยึดติดด้วยตัณหาแล้วได้เฉพาะปัจจุบันไอ้อย่างในปัจจุบันเนี่ยที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะรูปที่เราพึงเห็นแล้วก็ทําให้เป็นจิตใจเกิดแต่ตัณหาในปัจจุบันนภพเนี่ยเอาปัจจุบันนภพนี้ด้วยทั้งที่เกี่ยวกันในลักษณะอย่างนี้นะ หรือเมื่อตามเลือกรคที่เคยได้เฉพาะเมื่อก่อนที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปลปวนไปแล้วแน่ดีก็เกิดสมมนัตสมมนัตในลักษณะนี้เขาเรียกสมมนัตที่อาศัยเรือนเคืออาศัยขีหาสีตานี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอาศัยเรือนก็ามาพิจรารณาโดยในปัจจุบันแม้เราจะเอาในปัจจุบันเนี่ยเราแล้วแต่เราจะแยกเนาะตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าแยกในลักษณะที่เป็นไปในปัจจุบันในส่วนของ ปัจจุบันที่เป็นไปในส่วนของการที่เป็นไปในด้านของสันตตินี่ก็ได้ที่เป็นไปในส่วนของอัฏฐานนะก็ได้ในด้านของปัจจุบันนี่นะหรือคนที่เขาสามารถระลึกได้เช่นระลึกชาติทุนหลังต น, นเองได้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นไปกับตัญหามาหน้าทิฐิโดยเฉพาะก็คือว่าปุพพันตะกับพิกะทิฐีคือกลุ่มทิฐิที่เป็นไปในอดีต กลุ่บุคลเหล่านี้ร ะ, นะ ะ, ะลึกชาติได้เนี่ยพอเระลึกชาติได้เบีเสร็จแล้วก็หรือนักตึกทั้งหลายนเนี่ยคิดว่าตนเองนั้นได้เสวยความสุขที่เกี่ยวที่ตนเองเกี่ยวข้องแนด่ดีทิ้งนี้เป็นด้วยนะเนี่ยนะในกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าได้รูปที่เพราะตรงนี้ท่านยกรูปที่ปรากฏทางตามาเป็นมาเป็นต้นแบบนี้ถามว่าวิธีปฏิบัติ ว่าวิธีปฏิบัติในที่นี้ก็หมายความวิธีมนสิการวิธีไข้ควรก็แปลว่ารูปอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามองกันเดือดอเลยใช่ไหสิ่งต่างๆที่เราเห็นเหมือนว่ายอนสุบรรณหงนะวันนี้มาฟังธรรมะรู้สึกไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จริง้เพราะง่วงใช่ไหมตามข่าวเ่าบอกใช่ไหม <laughs> ทีนี้ก็ พอดูปุ๊บเนี่ยให้สังเกต ด, ดูไหมไอตัวโสมนัสบางโทมนัสบางที่มันเกิดขึ้นไอที่เราลุ้นแล้วมันได้อย่างที่ลุ้นกผสมมนัสถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดเรากังวลเรากลัวก็โทมนัสนั้นโสมนัสอาศัยเรือนกับโทมนัสอาศัยเรือนก็เกิดตลอดเลยเราจะไปบอกว่าดูด้วยพิจารณ า, นานเป็นตน า, านามนะสทิฏฐิหมดเลยดูเหมือนเป็นปัญญาให้สังเกตเถอะถ้าดูแล้วน้อมตึกพุทธคุณชัดขึ้น เห็นความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเห็นโทษการเกิดถ้าเป็นอย่างนี้ใช่แล้วดูได้เล ย, ยงั้นไปดูบ่อยๆจะไหนจะบรรลุได้เพราะการดูเรื่องนี้เนะ่อย่างเงี้นะแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นไปกับความเครียดความวิตกกังวลเป็นเป็นโทมนาที่อาศัยเรื่อนเห็นยังตรงนี้ไม่ควรเสพเพราะเมื่อเสพสิ่งนั้นแล้วบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญเลยแล้วในที่สุดจริงๆถ้าดีนะเนี่ยใช่ไหถ้าไม่ถ้าเกิดจุดติจิตเกิดในขนาดนั้นปฏิสนธิจะยุ่งแล้วแก้ไขไม่ทันไปแล้วมันก็กลายเป็นห่วงนชห่วงก็กลายเป็นอบายทุกขติวิธิบาทเลยลูกคนที่อยู่ก็ทำงานสบแล้วยิ่งใหญ่เลยโอ้โประกาศชื่อทำความดีมาเยอะ คนก็ประกาศใบประกาศเอาคนไปงานสอบเพนก็โอ้โหแม่เขาดีเนาะไปไปพูดแค่นั้นนะกลับมาก็ลืมหมดเลวแต่เจ้าตัวมันไปร้องจกัจกจก๊กจักรทรมานอยู่เนี่ย น, น่าสลดไหมนะชีวิตเนี่ยยันที่เมื่อคืนดูนะไปดูจุดนั้นมากเลยแนะจุดที่ว่าไมมานั่งทรมานตากแดด ต, ตากลมเข้าสซ่เข้าขอ ง, งนา้าอ้า ตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ข่้นเนี้นะบรรยากาศที่คนไปมันต่างจากที่เราดูโอ้นี่แสดงว่าไม่เคยไม่เคยอยู่ในกลุ่มพวกม็อบนี่ใช่ไหมใช่ไหมถ้าคนที่เข้าไปดูเนี่ยมันจะกลายเป็นความเมามันเป็นความเพลิเพลิน มีอาหารกินมีเสียงปลุกเรา้ามีคนมาเล่าไอเดมาฟังนะมาเล่าไอเดมาฟังไม่นานเนี่ยเขาอยากจะไปดูว่าไอบรรยากาศเป็ น, ปนยังไงเขาไม่อยากจะเขาาไม่เคยรู้เลยอะว่าไอบรรยากาศในสถานที่ตรงนั้นไปยังไงเว่าะั้นน่เขาตึกอย่างดีแล้วนี่นะอาไปเขาไปเสร็จก็ไปสมัครเป็นสมาชิก พอไปสมัครเป็นมาชิกก็ไปดูไอ้เขาจะให้เงินในทองหรือเปล่าจะได้ไดเงินมาบ้าง <c ười> ออกเขาไม่ให้ซะ อ, อีกก็ไปจ่ายตังค <c ười> ์เอาไปจ่ายตังค์ไปเสร็จเอาว่าไปขอซื้อเสื้อไปขอเสื้อเขาหน่อยก็คงจากแจกเสื้อเขาบอกสองร้อยบอกว่าไม่มีเงินซื้อนล้วมีเงื้อเขบอกแค่นั้นเอาแค่นี้พอแล้วเอาที่เอาที่คล้องๆเป็นสัญลัก <c ười> แล้วต้องไปตั้งกระบว น, นการถนนแดดก็ร้อนๆๆว่านเงินเอ า, าตายแล้วมาแล้วก็เขาลองทดลองดูไปเบ็ดเสร็จก็เอาไป เขามากันเขบวนใหญ่มาโอ้โบอเหลียวไปเต็มนถนนไปบ้วนเลยก็ว่ า, างั้นพ่อหน้าข้าวเขามีเสียงอะไรปกเหล้าก็มาแล้วเดี๋ยวนี้เขลืมตัวเลยจะเป็นตะโกนไงเขาพ่อตะโกนยังไงก็ตะโกนตามเขาไปแล้วก็ยังถือยังหน้าข้าวเขาเอาผ้ามาพกหัวเลยนะว่า ไ, ไอทีวีก็มาถ่ายเลยก็ไม่รู้ตัวด้วยว่างั้นแล้วก็ไปแล้วไปกับเขาไปเสร็จก็ให้พูดยังไงก็พูดตามเขาลย เห็นไหมเขาไปเสร็จก็มีของแจกโอ้ยเขาลากไข่กันเขาสามาชีกันแจกของกันอะไรกันายคนละมุมเลยเห็นไหมเนี่ยมันไปคนละมุมเลยเอาสิตอนนั้นนเป็นทั้งสมณัททอมณัทซึ่งอาศัยเรือนหมดเลยอาศัยเรือนอาศัยกามะคุณแล้วสัตว์โลกเห็นไหมมันเคยแบบนี้มาในสังสารวัฏอย่างยาวไกลแล้วก็สนุกสนุกแล้วโอ้โหแล้วมันยิ่งไออัยตยาสายเดิมๆเนี่ยตนเองสั่งสมไว้มันคนละมุมเลยเนี่ยไปเอาแล้ว ตีไล่ก็ใ <s> ห <departure> ้ไล <isters> ่ออกไปกูก็ว่าเราก็มึงออกไปไล่มามาก็ขาอมใช่ไมไปไปมามาหนักไ้กว่านั้นก็ให้ไปจอะเลือนก็ไปจาะเลยเจอะเลือดเอาไปขวางบ้านเขก็ไปเขว่าก็ไปคว้างบ้านเสร็จเดือดร้อนพระไม่นิมนต์พ้าไปทำพิธีกันีกโอ้พระก็ต้องไปแล้วต้องไปสวดมนต์วดมนต์ใส่ก็ต้อนน้ามนไปราดเลยเสาระบ้าอวดวายเราไปไหม เขาเห็นไหมสองบรรยากาศคนละบรรยากาศเลยเรานั้นมองวุ้สงสารเขาเขามองวุ้สงสารเราไม่รับชาติแผ่นดินไรต่บปันก็ว่ากันไป <laughs> <laughs> เห็นไหมมันคนละมุมไปแล้วเดี๋ยวนี้ยให้เราเข้าใจว่าเราก็เสพโทมนัตอาศัยเรือนที่เราบอกอู้หน้าสงสารเราเป็นโทสะไงอู้ยหน้าสงสารกลายเป็นโทสะแท้จริงไม่ใช่กรุณาแท้เป็นกรุณาเทียมอ่ะเพราะมนันโทมนัตน่ะ กรุณาแท้อนใจไมนจะอาถรรพ์จะน้อมว่าเราจัช่วยบุคคลเหล่านี้อย่างไรนเนาช่วยไม่ได้ก็ว า, างใจยังไงก็น้อมว่าเขาทํากรรมยังไงเราจะไปอีกมุมหนึ่งเลยใช่ไหมฉะนั้นมันถึงบอกว่าบรรยากาศที่เราเห็นกับบรรยากาศที่พวกเขาเป็นใช่ไหมเราสงสารหนอนในซุ่มแต่หนอนในซุ่มก็สงสารเรา เข้าใจยังเหมือนเราเนี่ยนะเป็นปุถุชนเนี่ยโอ้โหยศึกษาคําสอนเราก็สงสารคนไม่ศึกษาคําสอนผ้าอียาเขสงสารเราเข้าใจยังเพราะเราจริงๆแล้วเรายังหลงทิศหลงทางอยู่เลยอ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วคนทรงสารไทรตอนนี้เราอคนจะเรียบขัดเกลาเยอะ บางทีเรามัวไปเหมือนสงสารคอนอื่นนี่ยุ่งเลยเข้าใจยังแต่เนี้ยงั้นถ้าเราเข้าใจงี้เสียเราจะได้รู้ว่าจริงๆมุมของเขากับมุมของเราเนี่ยเขาชอบที่จะไปอย่างนั้นอันนี้คือคิดในมุมเราไงถ้าคิดในมุมเขาเขาโอ้โหสบายเลยเกินเอาอยากหลับก็นอนไปตื่นมาก็มีเพลงบังก็ว่า ก็มีคนกล่อมอยากจะกินอะไรนะั่นหน่อยคนขนมาให้ของเยอะแยะเอาสิเขาคิดทุกมุมเขาเนี่แล้วสนุกอีกต่างหาเอาสิเอาบางคนนะลองคิดดูดิเสาร์อาทิตย์เนี่ยเงียบหมดเลยบางหมู่บ้านเนี่ยเห็นไหมเห็นไหขายของไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแต่พอวันธรรมดาเขากลับมาทํางานกันปกติเขาสลับกันไปเนี่ยอ่ามันเดี๋ยวนี้มันมันเป็นกิจกรรมแล้วก็สลับกันไปอะ่ะเอาช่วงสมมุติว่า ชุดนี้เหนื่อยชุดนี้กลับมาพักอชุดนี้ไปใหม่เขาสลับกันไปอย่างเงี้ยเอาสิคือปัญหาก็คือตอนนี้นะ ม, มันฝังแล้วสมณฑที่อาศัยเรือนนี่ฝังแน่นมันเป็นทิฐิที่มันแรงแล้วถอนไม่ได้ถ้าแพ้ร้องไห้กันละงม ง, งานเนี้ถ้าแพ้จนะร้องไห้กันละงมงแล้วเขาจะไม่ยอมแล้วเขาก็จะสู้กันต่อไป ใชมถ้ารถาเพลก็เพราะอะไรได้วย ม, มันถูกมิจฉาโดอขอไฟนะใช้คาําวิธีดีก่อหรือว่ามิจฉาลิติดีจะไปตําหนิกันมันเจอเราฝ่ายก็เป็นแบบเนี้อานมาอุปมาไว้แล้วใช่ไหมบอกว่าการขึ้นไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งไอจุดตรงนั้นน่ะมันหอมหวานด้วยตัณหาราคะใช่ไหมที่เนี้ยขึ้นไปนั่งเยู่ มันเพื่อไปขึ้นเป็นนั่งพบถ้าพวกเราขึ้นเป็นนั่งใช่ไหมมันก็ยินดีมันก็ยึดติดมันก็เป็นไปกับมัชชริยะห่วงไม่อยากให้ใครมานั่งแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่พวกมันก็ลิศยาขยานไม่ที่พระเจ้าสอนเรื่องส ก, กาบรนาสูตรเนี่ยนี่แหละที่สารกันวันนี้ก็อิสาแล้นว น, นั่นไอ้ตัวลิศยาตัวอีสา น, นก็บอกไม่ได้ก็ไปเขย่า เขายาวใหญ่มันเหมือนคนขึ้นบนต้นม่วงม่วงม่วงใช่มม่วงม่วงมันมีลูกเมื่อมันมีลูกเสร็จเสรคนอยู่ข้างล่างไม่ยอมลองกูจะโค่นต้นก็ถึงบอกไงบอกว่าตรงนี้นยมันถูกฝังเรียบร้อยเลยโลภะกับโทสักแต่มันมีมิจฉาทิฏฐิหนุนหลังเรียบร้อยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะ ถ้าเราไปดูพุ๊บเกิดโลภะลบเท่าอ่ะเราจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีมิจฉาทิฏฐิแล้วอาศัยเรือนอี้เหมือนกันน้นเราอยากจะเป็นอย่างนั้นมัหมเราอยากจะมีสมนัติอาศัยเรือนไหมหรืออยากจะมีโทมมณัตอาศัยเรือนไหมถ้าไม่อยากตรงนั้นก็สิ่งเหล่านี้ควรละหรือควรเจริญเนี่ยรอบรู้แล้วต้องละเสียต้องละไม่ใช่ว่าอันนี้มันควรลุ้นหรือยุ่งเลยอยู่เนี่ยควรไม่ลุ้นเนี่ยนะ แม้จะพูดกันตามหลักคำสอนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเก่านะแล้วมันก็จะเกิดทุกยุคทุกสมัยสภาพการเกิดก็เปลี่ยนแปลงไปก็เพราะสัตว์นั้นมีลิษยาและความตนหนีศาสตร์เหล่านั้นก็ทะเลาะ ก, กั น, ก, ก, นก็เอางีรร้นะว่าเอาในบ้านเรามันก็ขัดแย้งนะ เอาในบ้านเนี่ยและในตัวเราเนี่ยมันก็ขัดแยง้งมันก็มีอิสระและลิษยาอยู่เพราะยังทําโสดาเป็ิมารคให้เกิดไม่ได้นั้นถ้าต้องการจะไม่ให้ขัดแยง้งไม่ให้การทะเลาะวิวาสไม่แตกแยกก็ละมัชชริยาในตัวของท่านทุกคนนะแล้วจะได้ไม่ต้องขัดแยง้งจะได้ไม่ทะเลาะวิวาสกับใครจะได้ไม่บาดหมางกับใครเพราะตัวนี้เป็นตัวบาดหมางตัวนี้เป็นตัวขัดแยง้งตัวเหล่านี้เป็นตัวที่ประสานไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นมีมัจฉริยะและความตณีต้องไปวิจัยสองตัวนี้ให้ชัดแล้วเราจะเห็นเรื่องนี้ยพูดมานานแล้วเนี่ยพูดทุกครั้งก็มาจบลงตรงนี้อยู่เรื่อยเนี่ยจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวนี้ต้องข้าชักออกจริงตอนนี้ต้องเลยต้องจเจริญสมาตาวิปันายต้องสงบข้อให้ได้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็น้อมในการที่จะละแยให้มันเกิดมามันจะเกิดขึ้นมาก็กดไว้แค่ครวนปิจนรณาอินโทษ มันจะเกิดก็กดไว้ใค้ควรพิจารณาเห็นโทษเข้าใจไหมถ้ามันปูขึ้นมาแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆมันก็ออกมาทางกายออกมาทางกายก็ไปเยียวเยี่ยวยังไหมยกมือยกไม้ไปออกมาทางวาจาก็จะโกนด่าตะโกนว่าใส่ร้ายใล้สีกันก็นี่คืออิสากริษยาเออเม่อริษยากับความตันนีตันนีก็คือแต่ก่อนตนเองเคยได้ฐานานี้แต่ถูกแต่ถูกแย่งไป ตนเองก็จะขอคืนใช่ไหมก็ต่อรองกันไหมเมื่อไปเสร็จพอต่อรองไปเสร็จถ้าไม่ได้มันก็กลับมาก่อตัวกันใหม่มันก็ไปใหม่เพราะมันมันไม่คิดที่จะละในใจแต่ก็คิดว่าจะไปไปแก้ปัญหาข้างนอกจริงๆเนี่ยสัตว์โลกตอนนี้ปัญหามันอยู่ในใจใช่ไหมมันอยู่ในกระแสขันั้งแต่ละท่านเนี่ยมันต้องน้อมละกระแสไอความเข้าใจผิดตรงนั้น ไม่ใช่ไปแก้ไขกับคนอื่นทุกวันเนี่ยเราศึกษาธรรมะกันใช่หไหมบางคนก็ศึกษาเสร็จสรก็แก้ปัญหาบีบอยู่เลยกลับไปบ้านก็ไปขัดแย้งที่บ้านอยู่เลยทั้งๆ ท, ที่ปัญหาลิษยาและความตันหนี่มันอยู่ในใจเนี่ยมันต้องถอนใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นก็แนะนํากันถ้าเรารู้ว่าเออในบ้านเนี้ยมันเกิดความเดือดร้อนมันเกิดการขัดแย้งมันเกิดการทะเลาะวิวาทนี่นะ มันก็ต้องไปไปคุยให้เขาเข้าใจว่าตอนเนี้ยคุณเป็นอย่างนี้นะตัวนี้เกิดขึ้นนะคุณละตัวนี้คุณละตัวนี้ถ้าเขาบอกไม่ได้มันก็ยากที่จะพูดสมมติไปบอกเขาเขาก็เถียงว่าคุณไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมไปบอกโยมผู้ชายแล้วก็บอกอนี่คุณมีริษยากับความตนันนีคุณยังมีจิตใจคุณมัวขัดแยง้งทะเลาะวิวาสในที่ทํางานเป็นต้นเหลนี้ไปบอกเขา อย่ามายุ่งนะครับว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาเป็นงานของเขาอย่ามาก้าวไายแล้วก็เงียบเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่เขา้าใจก็หาโอกาสต่อไปดูจังหวะอะเข้าใจดีๆแรงต่างก็ น, นั่นถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ไม่ใช่โอกาสแล้วหรือบางทีก็ไม่ใช่เราที่ชวนจะพูดแล้วก็หาบุคคลอื่นพูดนะเห็นไหมเพราะเขาเขาเข้าใจว่าปัญหามันอยู่ข้างนอกคนที่มันวิ่งวุ่นๆกันทุกวันเนี่ยไปเข้าใจปัญหาอยู่ภายนอกตัว คือคิดว่าถ้าปัญหาภายนอกสงบแล้วเรื่องมันจะสงบทั้งหมดแท้จริงมันสงบไหมสมมุติเอาเอาทั้งเกต ด, ด, ด้วยที่ว่สิบแปดครั้งแล้วประเทศไทยเนี่ยงัดกันลงมาเนี่ยเปลี่ยนรัฐธรรมดดนูญโดยขอไปนะใช่ไหมแล้วถามมีอะไรดีขึ้นไหมมันก็เอ่ลองล่องเดิมรอยเดิมมันอยู่นี่แหละพัฒนาถล่มทุกการมันมาเนี่ยเราจะได้เห็นความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ปัญหาพิด ใช่ไหมปัญหาจริงๆเนะี่ยมันเป็นปัญหาด้านด้านโครงสร้างความคิดความคิดมันวิ ป, ปริตพอวิ ป, ปริตแล้วมันเบ็ดเสร็จนมันไม่เข้าใจกติกาหรอกกติกามันสี่ปีเนะี่ยกูทนไม่ได้จะยืมสี่ปีอะ่ะกกติกาห้าปีที่ตั้งไว้มันทนไม่ได้เพราะอลิซสยาและความตันหนีนี่แหละนั้นมันไม่ปล่อยให้เป็นรายตามกระบวนการเนี่ยมันก็ไปฉีกไปฉีกทิ้งการฉีกทิ้งกันแล้วก็ไปแก้ไปคิดปัญหาบุคคล มันไปเขียนกฎเกณก์เขาไว้แล้วไม่ทารรําตามกฎเกณฑ์เพราะไม่ทําตามวีกริกาอีกพวกนี้ก็ไปฉีกกฎเกาฑ์ที่เขา้าใจยังเนี่ยเนี่ยไอกรณีในรักอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นปัญหานี่ยเราก็จะได้เห็นเห็นว่าจริงๆมันคืออะไรทั้งบอกว่าไอกรณีคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ใช่เบสิกครับฉีกคําสอนที่อันนั้นพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์ข้างนอกก็ว่าไปแต่ถ้าได้คําสอนอยู่ไหม ถ้าปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแสดงเหตุชัดแล้วเดินไม่ตามร่องรอยคำสอนทุกนี้ทุกวันเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยถ้าทําโลกเนี่นยจะเอาเรื่องกฎหมายไปคุยมันคุยไม่ได้แล้วยากถ้าปรประมาณคนแบบเนี้เยอะต่อให้ประกาศอีกร้อยฉบับเอาไปอยู่แล้วเข้าใจอย่างไม่มีทางอยู่ได้หรอกเพราะคนมันถูกฝังความคิดลงแบบนี้ปูมกุมภูม ถ้ามาเห็นร่องรอยตั้งแต่ที่แรกแล้วเดี๋ยว เ, เรียบร้อยจะแบบเนี้ยก็เล่นออกข่าวออกทีวีว่าอัดกันอยู่เนี้ยนะทําไม่มีปัญหา <c oughs> ก็มาฉีกหน้า ก, ากากเล่นกันนี้พังไม่พังได้ไงต่างฝ่ายต่างก็มีใช่ไหมต่างก็มีประเภทที่ว่าสื่อแล้วนะงนะั้นแล้วก็สื่ออัดข้อมูลมาประชาชนก็แล้วกีรับก็เหมือนนี่เหมือนกันเรามาพิจารณาดูคําสอนเนี่ย ถ้าเราศึกษาคําสอนกะท่อนกะแท่นเราก็จะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไปตามระบบหรอกเช่นอารู้เขาพูดเรื่องกรรมก็รู้เรื่องกรรมเล็กๆ น, น้อยๆเงี้ยเขาพูดเรื่องวิถีก็รู้วิถีนิดน้อยๆเขาพูดเรื่องจิตก็รู้เรื่องจิตทุกเล็ก น, น้อยๆเขาพูดเรื่องสติปัฏฐานก็รู้เป็นหย่บๆแล้วเอาจิตเอามาใช้ไม่ได้เดินไม่ได้มาสมมุติเอาไม้อ่ะถ้าจะมีไม้เพื่อจะไปทําเป็นผานเดินเงี้ย มันมีไม้แบบสั้นๆสั้นๆไม่ต่อกันได้ไงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไงไม่ถึงหรอกเนี่ยการที่เราศึกษาคําสอนแบบไม่เป็นชุดเนี่ยเป็นกระท่อนกระแท่น เ, น เ, น, เนเป็นเป็นโทษทุกวันเนี่ยลองไปถามดีเขารู้จาักกายยาทุปันารลุจะเจาะไปลึกๆไม่รู้รู้จักเวทนาไหมรู้เจาะไปลึกๆไม่รู้ขา้ายากให้ยอมบางคนก็ใช่แล้วก็ใจอยากจะฟังคนนั้นอยากจะฟังคนนี้ไปนู่นแหละ แล้วก็ไม่เสพด้วยนะใครพูดทำมาผิดถูกเี่ยก็แยกไม่ออกเหมือนเหมือนมีคนเขามาถามมาถามอนามาบอกว่าเนี่ยเขาอยากประพฤติปฏิบัติเยอะเกินว่างั้นอะเขาควรจะเขาควรจะไปปฏิบัติที่ไหนดีถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมาถามโยมแบบเนี้ยเขาอยากปฏิบัติเยอะเกินจให้ไปปฏิบัติที่ไหนดีโยมจะบอกเขาให้เขาไปปฏิบัติที่ไหน อราจะบอกเขาอย่างไงอ่ะมหาโยมนี่บอกเออโยมสุภนะโวมเนี่ยเราจะไปบอกไหมว่าไปปฏิบัติที่โน่นนี่นี่ ย, ยปัญหาก็คือว่าหนึ่งคนมาถามก็ยังไม่รู้อะไรมากเลยยังปฏิปต่ อ, อะไรไม่ชัดเลยใช่ไหมแล้วก็ความเข้าใจาก็มีเพียงแค่เนี้ยแล้วก็ได้จะบอกว่าเออคุณจเจริญคุณให้ทานเป็นไหม คุณรักษาศีลถูกเป็นไหมเอางี้นะมีผู้มีคนคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้นำบุญหรืออะไรเยน้เขาก็ไม่รู้เลยเขาบอกเขาอยู่ในวัดมาในประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วไปอยู่สึกเป็นจนว่าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำได้เลยนัมาก็มานั่งคุยแต่เราก็นึก เห็นที่เขาพูดเรื่องบุญแล้วก็นเนถึงตอนสอนมุกพระเจ้าก็เ น, นิ่สลดใจเนาะถ้าเรามีผู้นําบุญอย่างนี้เนีโอ้โหลําบากแล้วแช่ไหมใช่เป็นผู้นําบุญทีนี้ไอ้มาก็ถามเขาก็มาคุยคุยคุ ย, ค ย, ค ย, คยอะไรมาฟังก็มาก็ทโนฟังไปคุยอยู่นั่นแหละสักพักหนึ่งเขาบอกเขาได้เจริญกุศลได้ทําบุญอะไรเยอะแยะไปหมดอ้มาก็เลยถามไปว่า อย่าคุยให้เรามาฟังเลยคุยทีไรเราจะมากันนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคาสอนพระพุทจ้าคือคุยแล้วมันทุกข์ใจฟังแล้วไม่สบายใจเขาถามไม่สบายพูดตรงๆยอมโกรธไหมเขาบอกไม่เลยเขาเขาอยู่วัดมานานก็บอกโยอมทานโ ย, ยังไม่รู้เรื่องเลย เรื่องบุญยังไม่ต้องพูดถึง ย, ยอมไม่รู้จักคําว่าบุญแล้ะยอมจะเป็นผู้นําบุญยังไงถ้าบุญยังไม่รู้จักเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาก็อุปมาให้ฟังเลยบุญเป็นอย่างงี้ย่างนี้ก็ว่าใช่ไหมเพราะการทานบุญเนี่ยก็คิดว่ามันได้ไงแต่คําว่าปุญญะตัวเนี้เนไหมหนึ่งมันต้องเข้าใจพยัญชนะสภาวะของพยัญชนะก่อน แล้วต้องเข้าใจอัฏฐะของบุญนี่นะในอัฏฐะเนี่ยมันมันต้องมาแยกความหมายอัตโนสันตานังปุริติโสเทติติปุญญธรรมชาติใดย่อมชำละขันธสันการขาองตนเองให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจคือโรบโกรธหลงเป็นต้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อบุญไอ้ตรงนี้ทำไมเขาตั้งขยายบุญอัไอ้พยัญชนะตัวนี้อัฏฐะตัวนี้เขาต้องมาขยาย ถามว่าในขณะที่คุณทําบุญมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการจเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยอัธยาสัยของคุณเนี่ยถูกขัดเกลาวไหมโลภลดลงไหมโกรธลดลงไหมใช่ไหความหลงเนี่ยมันลดลงไหมถูกขัดเกลาวไหมตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยมันลดลงไหมที่คุณให้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่คุณจะเอาเนี่ยมันคนเราประเด็นไหมเนี่ย ประเด็นเขาบุญเนี่ยคือการขัดเราแล้วคุณต้องคิดดูทีเนี่ยที่ตั้งแต่คุณให้ไหมาเยอะๆเนี่ยการขัดเราคุณมากขึ้นไหมนี่ประการแรกนายอมไม่เข้าใจเรื่องบุญประการที่สองเรื่องทานยอมก็ไม่เข้าใจถามว่ายอมเข้าใจคําว่าอะโลพา ท, ทานไหมเข้าใจคําว่าเจตนาทานไหมเข้าใจคําว่าวิรติทานไหมเข้าใจคําว่าวัตถุทา น, น, น, าหนไหมนะั่งเงียบเหรอไม่เนี่ย ให้ทานมายี่สิบห้าปีถ้าไม่เข้าใจพวกนี้เราจะไปเดินจิตให้เป็นฐานได้ยังไงอโลพาทานมันเป็นเรื่องของจิตเนะี่ยเกิร่วงกับจิตใช่ไหมเจตนาทานก็เกิดกับจิตเนยะเวรติทานก็เป็นการงดเว้นนะเกี่ยวเรื่องการจิตเนะี่ยในการที่จะคิดงดเว้นต้นเนี่วัตถุทานมันเป็นข้อสุดท้ายอเอาสมมุติว่าหยิบของให้คนเนี่ยให้เป็นทานก็ได้ไม่เป็นทานก็ได้เอาสิ เนี่ยยังสมมติว่าถือของมาใช่ไหมอาะเด็กอ่อาเด็กที่มากันม า, าเด็กผู้ชายถือของมาเอาของมาให้หยมปุ๊บให้ไม่เป็นทานก็ได้ให้ไม่เป็นบุญก็ได้เป็นบุญก็ได้ให้แบบต่อรองยังได้เลยเอาให้แล้วมันจะได้ได้อะไรตอบแทนก็ได้เอาสิเหมือนเราทําดีเนี่ยเราทําปุ๊บเีรยรูปทําดีแม่เลยให้ตังค์เป็นทาน มันเป็นความดีที่ไหนนะั้นอย่างเงี้ยหรือหรือแม่ให้เงินลูกเนี่ยให้เบ็ดเสร็จแล้วต่อรองเพื่อให้ลูกขยันอะไรเงี้ยมันเป็นการน้อมสลามไหมเนะี่ยเป็นน้อมขัดเกลาตัวเองไหมก็ให้กันมาตั้งเยอะแยะเบ็ดเสร็จแล้วทําไมไม่ขัดเรารยมอมบางคนเข้าใจใไหมเออทําไมความโลภมันไม่ลดลงลดลงลดลงทั้งทั้งที่ให้กันมาเยอะมีใครบ้างไม่เคยให้เนะี่ยหยิบยื่นให้ทั้งนั้นเลยเยอะแยะหมด ถ้าเราคิดเรื่องการให้เป็นแบบนี้มันมีลถไป็ทั้งหลายก็บงแล้วจะไหมเข้าใจไหมเนี่ยแค่เนี้ยเราก็จะได้เข้าใจว่าจริงๆมันคืออะไรคําสอนพระเจ้าเนี่ยมันเรื่องงานขัดเกลามันเรื่องการสลละไมนเรื่องกานมันการตัดการให้จริงๆไงแล้วมันต้องต้องกายสุจิริทวีตสุจิริมโนสุจริตมันดีขึ้นเพราะกิเลสมันลดลงให้ยิ่งให้แล้วไม่ใช่กิเลสมันเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แลสังคมไทยมันเลยอยู่ได้แค่ทานเลยทีนี้จะสูงขึ้นไประดับศีลแต่ไม่พูดกันละเ ง, งยหัวไม่ขึ้นแล้วเป็นกิจกรรมไปเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่รักษาศีลนะเอาข้าก็ปานาติปาก็ปานาติปลาต า, า, า, าเวลนะก็คุยกันนี้เมื่อวานมาใครบ้างนะพระก็ว่าไปอาทินาธานาเวแล้ววันนี้จะกลับเมไหรจริงไหมเป็นนี้จริงไหมมันก็เป็นกิจกรรมเนี่ยมันเป็นศีลไหมเนี่ยนะ มันมีเจตนาศีลไหมมีเจตสิกศีลไม่มีสังวรศีลไม่มีอวิติกรรมศีลเกิดไหมในใจตอนนั้นไม่มีซักศีลเลยมันเป็นกิจกรรมท่องนกแก้วนกคุณทองวัวันเท่านั้นเองเดียวมันเป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างแต่เนี้ยว่าสังคมเป็นแบบนี้แล้วเราจะตามทําไมแบบเนี้ยแล้วมันใช่ทางเดินของพระยรืยามไหมแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วมันเหลือแต่รูปแบบย่อมอย่าไปฝันในเรื่องบทเอายาลาเออยเนี่ย วิหารลานเจดียต่างๆเ่นี้ให้ตรึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ชัดเราขับเคลา่ให้ได้ก่อนมามาก่าวคำสอนเนี่ยไม่ได้คิดมาประกาศาศาสานาหรอกเพราะอะไรรู้ไมคิดมานั่งคุยกันในฐานะที่ว่าแบ่งปันความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นเองเพราะตนเองก็ไม่ใช่เป็นผ้าริยะใช่ก็เพียงว่าเออพอได้มีโอกาส ศ, ศึกษาคำสอนบ้าง แล้วก็พอจะมีมุมนี้เข้าใจบ้างก็นั่งสถลี น, นากันคิดแค่นี้ยแล้วก็น้อมอยากให้เราท่านทั้งหลายอะเร่งเร่งเดินในการที่จะใช่ควรพิจารณากันอย่าประมาทแค่ น, นั้นเองเมื่อกี้ยังบอกกับยมนโนยมโนหูอยากจะเรียนโน้นเรียนยยนี่อะไรเยอะๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกอาจารยบอกสายแล้วสายจริงๆสายมาตั้งนานแล้วด้วย ใช่ไหมชีวิตสายแล้วจวนเกียนแล้วไม่รู้พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะเกิดก่อนกันเนี่ยที่บอกมาไม่รู้อะไรจะเกิดก่อนกันเนี่ยเราไม่ให้ได้ก่อนใช่ไหมให้เข้าใจคําสอนแล้วเดินให้ได้จริงคือยังไงยังไงเนี่ยเวลาจะตายให้มันได้ตระลึกพุทธคุณเป็นบ้างน่อให้ได้ที่พึ่งเอยซึ่งตอนนี้ยังเข้าถึงย า, ยากมากเลยนะ เพราะเหมือนมีกำแพงใช่ไหมระหว่างพระเจ้ากับเราเนี่ยเหมือนกับมีกำแพงขวางอยู่นะตอนนี้อย่าลืมนะทําลายกำแพงให้ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าให้ถึงให้ได้ก่อนวันใดเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แล้วเราจะได้ฟังธรรมจากท่านตอนนี้อย่าลืมนะเราเป็นคนสร้างกำแพงกันก้นความคิดของเราเองเราทําลายกำแพงนี่ออกไม่ได้เรายังเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ได้ อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะหลายๆคนยังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นนเนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงได้ยากใช่ไหมพก็องค์ประดุจดังราชาสีเป็นต้นนนะคนมีกิเลสเข้าเฝ้าพระองค์ยากคนที่มีความกลัวเข้าเฝ้าพระองค์ได้ยากคือโทสะคนที่มีความหลงก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ตอนนี้เรายังทำละทาลายกําแพงกั้นไม่ได้เขาอหญ่ายมองค์คนเขอย่มากเราต้องทําลายกําแพงเถอะแล้วเข้าพ่อพระองค์ให้ชัดเมื่อวันใดวันหนึ่งเราเข้าพ่อพระองค์ได้แล้วเราอ่านท่านไตรปีดกเราจะเห็นพระวูดเจ้านั่งตรึกคําสอนเราจะเห็นพระวูดเจ้าในใจไม่ใช่เห็นเป็นภาพของพระวูดเจ้าเนื้อเห็นเสมอเหมือนหนึ่งเพราะทำงูวูดเจ้าไหลออกจากพระโอษฐ์ของท่านเข้าสู่กระแสใจได้จริง มันเทาวันนั้นน <Spe token isation> ่ะแสดงว่าชัดแล้วแปลว่าแล้วโยมจะต้องอุทานว่าโอ้ยเราถึงแล้วเราได้สารณะแล้วเราได้ที่พึ่งแล้วเราไม่กลัวตายแล้วข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเดชพุทธเจ้ามันจะชัดขอถวายชีวิตเดชพระธรรมวสุมันจะชัดเจนและความเป็นธาตของพุทธเจ้าเป็นธาตุของพระธรรมและเป็นธาตของมารยาสงมันจะชัดขึ้น